ชนาเหมือนกับน้าคือศาสตร์สำหรับชา ล, ล้างสุี่สกภ ก, กซึ่งมีอยู่ภายในกายวาจาใจของกับใจที่พร้อมด้วยความโกลื่เกล็ดตายอยู่ภายในตัวแต่ว่าเป็นใจที่สกภ ก, กจึงต้องชำระล่าง้วย น้ำทือศาสนาเึงการสร้างนงามความดีทั้งหลายนีก็เป็นเหมือนกับน้ำทิศสะอาดการฝึกหัดสติปัญญาเึงแก้ไขก็ชัว่าน้ำทิศสะอาดเพราะคำว่าศาสนาธรรมก็ต้องรวมสิ่งแบบนี้เข้าด้วยด้วยสะอาดผ้าที่มืสะอาดก็ไม่นานนุ่งคน อะไรอะไรก็ตามที่ไม่สะอาดก็ไม่น่าดูเกดชามเป็นช้ไม่สอยต่างๆที่ไม่สะอาดมันก็ไม่น่าใชา้จึงต้องชาระล้างให้สะอาดก่อนที่จะนำมาใชา้จิตใจเป็นของโสกปรปกไม่สะอาดมาดั้งเดิมมันเป็นพื้นฐานอันนแห่งความไม่สะอาดที่มีมาปกะจิตเมื่อ การเวลาที่เราทราบดีทราบชั่วดังที่เราทราบในเวลานี้จึงต้องพ ย, ยายามชั้ล้างสิ่งที่โสโคจดพาในกายวาจาใจของตนความไม่สะอาดนี่แหละพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพจน้อยพจนใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะอาดไม่สอาดนี้เป็นมูปฐาน ขงใจการทำหน้นได้มากน้อยก็คือว่าตัดความทุกข์โยนทางเข้ามาเป็นลำดับคำว่าความปวดแกจเจ็บตายก็คือสายทางแห่งความทุกข์ทรําบากนั่นเองหาเราจะสามารถเก็บกวาด เอาภพาตของเราที่เคยเกิดแก่เจ็บตายมาในวัฏฏานี้แม้เพียงคนเดียวเท่านั้นมารวมตัวเขา้ามารวมเป็นกองไว้ให้เราเป็นคนดูจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวยิ่งกว่าดูพพชาติหรือดูชาตของตัวเองที่ เ, เกิดแก่เจ็บตายอยู่ กี่กลับนักในตัวแล้วรวมมาอยู่ในกองเดียวกันอกในกองนั้นไม่ใช่จะมีเพียงแต่ว่าชามนุษย์ที่เราเคยเกิดเป็นมนุษย์แล้วตายจะมีชาตอะไรบ้างเต็มไปหมดที่เราไม่เคยเห็นเลยก็จะได้เห็นในกองแห่งพวกชาติทั้งเราที่นำมากลองไว้นั้นของบุคคลผู้ใหยวนี้เท่านั้นน่ากลัวว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ย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 ทว่าซากผีก็เราเป็นผีให้เห็นชัดๆไม่ทราบว่าซากผีที่ออกไปจากเราไปเป็นเช่นั้นน่ะเป็นซากผีชนิดใดบ้างเป็นไปหมดแม้เราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเป็งไรก็ตามเรายังไม่เคยเห็นเลยซากชนิดนั้นๆที่เราเคยเกิดเคยเป็นมาแล้วแต่มารวมตัวให้เห็นอยู่เฉพาะหน้าเราในกองซากอันเดียวกันมันกองใหญ่โตขนาดไหนด้วยแล้วเป็น ซากของสัตว์ชนิดใดด้วยที่คลองเข้ า, ขาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่น่ากลัวไงถ้าหลบสะไหลเป็นโน่นเป็นไหลไม่มีอันใดที่จะน่ากลัวยิ่งกว่าความพบความท่าของเราเล็ดซากผีของเราเราไปกลัวตแต่ผีภายนอกไอ้ผีเรื่องของตัวเองที่ไปแสดงตัวในพบในท่านั้นๆแล้วรวมตัวเข้ามาเป็นให้เราเห็นประจันนี้เราไม่ค่อยกลัว ทีนี้เมื่อเราเห็นเช่นนั้นแล้วไม่มีอความกลัวใดในโลกนี้จะจะมากยิ่งกว่าความกลัวซ า, ากของเจ้าของท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนท่านทรงรู้สรงเห็นถึงขนาดนั้นแล้วนามาสอนพวกเราให้เห็นภยัยให้เห็นเรื่องของตัวเองว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากอเป็นไรแต่พบชาติหนึ่งหากมาเกิดเป็นเพื่อนมนุษย์นี้ก็ไม่สูญทลายนัก ให้พบชาติอื่นๆหนึ่งดิที่มันน่ากลัวแ ล, ล้วก็หน่าะยะขยะขยายความทุกข์ความลําบากทรมานเอาถามว่าเอาเป็นไปได้อีกเราจะตกนรกตกไหมอยู่ที่ตรงไหนเป็นซากเปรตซากผีอะไรก็ตามให้มาเป็นซากอะมองเห็นด้วยตาเนื้ออีกด้วยแล้วยิ่งจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากมายอีกนะ นี่ก็พราะเราแม้จะเคยเป็นมาแล้วแต่ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จำก็จำไม่ได้สิ่งที่เคยเป็นมาแล้วความจำนั้นมันหมดไปเสียโดยความจำไม่มีความหลงลูนนั่นแหละไดยเป็นกำแพงกัน้นภัยที่เราเคยเป็นมาไม่ให้เราเห็นแล้วก็เป็นเครื่องเสริมอยู่ในตัวให้เกิดความประมาท เหมือนังว่าพบชาติมีอัตภาพเดียวเพียงที่เห็นอยู่อยู่นี้ท่านั้นนี่นี่ก็เป็นกำแพงอันหนึ่งที่กั้นไม่ให้เราสามารถมองเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยสนาหรับตัวที่เคยไปแสดงไว้แล้วก็ทาให้เกิดความประหม่านอนใจถึงกวาตายหน้าสูงไปซะอะไรเนี้ก็มีจำนวนมากเพราะมันไม่เห็นก็สุดยุสัยที่จะว่ามันมี อย่างน้อยก็ควรเชื่อผู้รู้ผูช้ชละ ด, ดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตนนี้ก็ เ, กเชื่อวเป็นผู้ชื่อเชื่อผู้รู้ผูช้ชนดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็นเรืองมีตาอันยืดยาวมีตาแหลมคมได้ แ, แก่เทวญาณคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่ทรงพระนามว่าโลกมิถูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้จนเราพบเรึ่งค่ะของสัตว์เกิดที่หนี่ตายที่หนึ่งและเป็นมากน้อยกั่าไหร่ถึงเราจะไม่รู้มิจํำไม่ได้ก็ต่ามและประมวลมาสู่ ควาปัจจุบันที่เป็นอยู่เวลานี้ว่าผู้นี้แหละที่เคยเป็นนักโทษมาแต่ก่อนว่าอย่างนั้นเย่ยมันจะไปเที่ยวฉกเจี่ลักเที่ปล้เปนเที่ยวสดมปัดดูกินของเงินทองแล้วไปเที่ยวฆ่าปลูกค่าคนที่ไหนมาก็ตามเถอะมันนําไม่ได้เพราะโจรหัวโจมมันลูนามมาตั้งแต่วันเกิดมันรู้์อากเรียนสาภาวะทําแต่งานอย่างนี้มาทั้งนั้น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 เวลานี้มีทุกข์มากน้อยเพียงไรตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ธาตุขันอนี้แสดงความทุกข์มามากน้อยเพียงไรก็เต็มธาเต็มขันเต็มตัวตลอดมาไม่มากยิ่งกว่านี้ไม่น้อยยิ่งกว่านี้เดีย๋ยวเต็มตัวจึงไม่น่าสงสัยในเรื่องทุกข์ที่จะเป็นในข้างหน้าจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นทํามนองที่เป็นอย่างนี้เอง ที่เป็นมาแล้วก็เป็นทางน้องที่เป็นอย่างนี้เป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก่อนคือเป็นสัตว์ต่ำต้อยสัตว์ภาอย่างนี้อาจจะมีมากกว่าที่เป็นอยู่เวลานี้ยังไงก็ให้ประมวลมาว่าคือเรื่องกองทุกข์คุณเป็นสาเหตุมาจากความกดเจ็บเจ็บตายนี่แหละเป็นสําคัญนล้วก็คือเรื่องของที่เลด้าสวาสเนี่ย เป็นสิ่งที่ปาให้ไปเกิดไปตายอยู่ในที่ต่างๆในพบชาติต่างๆประมวลนึงมาในจิต ด, ดวงเดียวพยายามแก้ไขยอยู่ที่ตรงนี้สติพยายามฝุดฝนอรมให้มีพยายามตั้งสติให้ใกล้คิดกับตัวคืออยู่กับตัวนั่นหละดีปัญญาใช้ความคิสพิพจารณา โดยถือกองทุกจากธาตุจากขันอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณาและเป็นหินลับปัญญาอยู่ในตัวจิตใ จ, จเจริญมีความผ่องใสโดยอาศัยธาตุขันขึ้นถือว่าเป็นกลองทุกนี้มาเป็นสุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยการพิจรณาโดยทางปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านอาศัยธาตุขันเนี้ เป็นตุย้ยหรือเป็นหินหลักสติปัญญาให้ขมกร้าเมื่อพิจารณาสิ่งอย่านี้รู้หรอกขอบคิดแล้วความทุกทุกข์ก็ไม่ต้องบอกเพราะมันติดจิ่งอย่านี้เองก็นน 5, จ, จกนนะติดอย่างอื่นใดอันนี้เป็นหลักใหญ่ภายในร่างกายของเราก็ติดขันห้างนี่ติดขันห้าติดใจสิ่งของอันนี้มาติดอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นมันรู้ขันห้า แล้มันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุหือลากเงาเข้ามูลของมันไม่ได้ได้แก่ใจดูตัวไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจป็นจากสิ่ง น, นั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี่ถ้าดูด้วยความผืดเผินดูสักใจว่าดูมันก็ไม่เกิดปัญญานอกจากจะเกิดความลำคาญไนแบบนั้น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 ธาตุก๊บขันนี้มันค้าเข้ากันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีกิเลกเป็นผู้ร้อยลดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ธาตุขันของเราดูมันทุกระยะทุกขณะพิจารณาถึงความตั้งขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายและกำหนดพิจารณาเพิ่มความส่วนความสลายลงไปใงธาตุขันนี้ใช่ไหมบอ ความเกิดขึ้นความดัดไปหรือความตายความฉลายลงไปจนมีความทำนิชำนานเราไม่นับเที่ยวแต่เราถือเอาความทำนิชนานาความค่องแคล่วของจิตใจได้เห็นสิ่ง น, นี้ตามหลักความจริงอย่างจริงใจนี้เป็นผลเกิดขึ้นจากการพิจารณาดูแท้ ถ้าดูเพียงผีเผยดูสักแต่ว่าดูดูแบบโลกโลกดูแบบจนแบบจำป้ายแบบอะไรครงคงคงการไปอะไรนั้นไม่เกิดประโยชน์เ้ราะเป็นแบบโลกไปเสียถ้าแบบทําแล้วก็ต้องดูให้เห็นตามความจรงิงของสิ่งที่จรงิงและมีอยู่ภายในตัวขอ ง, งเรามันยังไม่แตกก็กําหนดให้มันแตกได้วางกำหนดให้แตกลงไปตั้งขึ้นมา เพรเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันนี้สร้างขึ้นมากับแตกไปนี่ผสมกันขึ้นเป็นรูปเป็นกายแล้วสลายตัวลงไปเป็นดีนเป็นนักเป็นลมลไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของของสิ่งอย่านี้เป็นอยู่อย่างนี้เพราะจิตเป็นเจ้าตัวกลางเนื่องจากความมุนแงของตัวเองพาให้เป็นเช่นนั้นจึงต้องในอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาทันกับเหตุการณ์ ถึงเวลากล้าหาญกล้าหารเช่นเดียวกับความขี้ขลาดากลัวนั่นแหละไม่ผิดอะไรกันเวลากลัวก็กลัวมากที่สุดสิ่งที่สัตว์โลกกลัวก็คือเรื่องความตายไม่มีสัตว์ตัวใดจะมีความกล้าหารต่อสิ่งนี้เลยทว่าโลกดินแดนมีความมีความตายเป็นสำคัญที่ยังจิตของสัตว์โลกให้กระทบกระเทืนหรือชอกช้ำอย่างหนักได้แก่ความกลัวตาย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 ในเวลาเดินทางคือการปฏิบัติคือกำลังปฏิบัติอยู่แต่เมื่อได้ผ่านพ้นจากความแข่งกันทั้งสองนี้แล้วความกลัวก็ไม่มีความกล้าก็ไม่มีคือพ้นไปแล้วกรรมศาสตรจะมากล้าหาอะไรอีกจะมากลัวหาอะไรอีกความกลัวจึงหมดความกระทบกระเทวนความกระเพื่อมของใจจึงไม่มีความกลัวก็เป็นความกระเพื่ม เป็นความขายาดจิตใจความกล้าก็เป็นความกระเพื่มความขายาจิตใจไปชนิดหนึ่งความไม่มีกล้าไม่ความไม่กล้าไม่กลัวเพราะความรอบครอบโดยสมบูรณ์แล้วนั้นไม่มีจิตใดมากระทบกระเทือนไม่ไม่มีความกระเพื่อมจิตใจต่อจิตใจเลยนี่เป็นสภาทะที่ปกติริ้จริงนวนันรัวนั่นี่พิดกันหน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 สายทางที่เดินอยู่ในวัตถะสงสารนี้แต่เมื่อได้พ้นแล้วคําว่าบุญและบาปก็ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเช่นเดียวกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมว่าบุญยับปลาปะประหินะบุคคลได้แก่พระอรหันต์ท่านผู้มีบุญและบาปอันละเสียแล้วหนานคำว่าบุญก็เหมือนกับสายทางเดินของเราเราต้องการไปถึงจุดใดทางมีความจาเป็นต่อการ เดินของเราจนถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วทางก็หมดความหมายลรืหมดความจําเป็นไปคำวมาบุญนี่ก็จ่งถึงเราจนกระทั่งถึ ง, งวิมุตตบุญกุศลที่เราสร้างมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราจนกระทั่งถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วคำวมาบุญและบาปซึ่งเป็นส่วนสมมุติด้วยการทั้งสองเงือนก็ผ่านไ ป, ไปเอง ในแท้ท่านจะฉลาดปัดทิ้งบุญไม่ชอบบุญอย่างนั้นนี่เป็นความรังเกียจในบุญเป็นความขายะแขยงในบุญเห็นเห็นว่าบุญนี้ขึ้นแต่ก่นเห็นว่ามีคุณค่าลแล้วบัดนี้กาลายเป็นศัตรูขึ้นมาแล้วสลัดถัดปัดทิ้งเสียอย่างนี้ไม่ใช่เมื่อพอแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกับเรารับทานอาหารรับทานไปรับทานไปเมื่ออิ่มแล้วมันก็ปล่อยกันเองเช่นเดียวกันไม่ใช่จะไปเบืออาหารกําลังเกียดอาหารประโหยไป เกลียหารอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความอิ่มพอในทา่าขันแล้วมันก็ปลอดกันแต่เองโดยหลักธรรมชาติทังหมดนี่คําว่าละบุญก็เป็นอย่างนั้นส่วนบาทคือความสศรมองในตั้งใจตั้งใจตะตตั้งใจถอนต้นเหตุทั้งมันคืออะไรมันทําให้เกิดเป็นบาทขึ้นมาเป็นความสศรมองขึ้นมานี่อะไรเป็นสาเหตุแก้สาเหตมุมันเมื่อแก้สาเหตุลงไปได้แล้วความเศมองซึ่งเป็นผลมันก็ดับไป การแก้เหตุแก้แกสาเหตุแห่งความชั่วทั้งหลายให้ความสมองสิ่นไปนั่นก็คือกเป็นการสร้างกุศลภายในตัวคือความฉลาดขึ้นมามันมีความฉลาดนั่นก็แก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อความฉลาดพอตัวแล้วก็แก้สิ่งนี้บบได้สิ่งนี้ได้เมื่อแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วความความฉลาดก็หมดความหมายไปเองคือมันผ่านัมันไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนหลังคําที่ว่าชาติปัญญาอย่า น, นี้เป็นต้นเป็นเครื่องมือทํางานแก้กิ่เล็กทุกประเภทแบ พ้นประจักษ์สติปัญญานี้ไม่ได้เลยเป็นเครื่องมือไปําคัญมากในการแก้กิเลสทุกประเภทแต่เมื่อเวลาแก้กิเลสซะจนหมดไม่มีอะไรเหลือาภาภาพายในจิตใจแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ผ่านไปเองเหมือนเราเราปล่อยมือปล่อยเครื่องมือนั่นเองเพอาะทำงานเสร็จแล้วเครื่องมือก็ต้องปล่อยสติปัญญาเป็นเครื่องมือไม่ใช่เป็นผลที่เราจะพุงรับไว้ตลอดไป เป็นเครื่องมือฟั ง, งท่านพูดไว้เป็นไรสมาธิสามารถสรถั้งกปูเป็นต้ น, นเป็นมัชฟังระหวังมัชมัชแปลว่าอะไรแปลว่าทางเดินหรือเครื่องมือทํางานเพื่อแก้กิเลสทางเดินของจิตนี่เป็นทางเดินอันราบเรียบดีงามปลอดภยัยเนี่ยเป็นมัชชิมาเป็นศูนย์กลางแห่งความถูกต้องดีงามทุกสว่วน ถูกต้องในการแก้กิเลสตัญหาอาสวะทุกประเภทไม่มีเครื่องมือใดจะเหมาะสมหรือเหมาะที่สุดยิ่งกว่าเครื่องมือคือมัดแปะนี้เนี่ยและเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพานก็คือทางสายนี้ทั้งเรียกวมัชิมาเนี่แม้เช่นนั้นเมือ่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วความมัชิมาซึ่งเป็นหนทางนี้ก็หมดความหมายเอง พอถึงที่แล้วใครจะไปกรอบโขลยหรือแบบถามอนุทางไปแบบไปหลับเป็นไปตามความคิดเนี่ยที่ตันว่าบุญญาปาปะไปหน้าบุคคลผู้บุญญาบาปมันหน้าเสียแล้วน่ะละแบบนี้เองในชัละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ่หวาเสียวน่าเกลียดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะไปกลัว้นทาง เขาจะปฏิบัติทุนทางทางไปที่เดินไปแต่เมื่อไปถึงที่แล้วมันก็ผ่านกันไปเองหรือหมดความหมากันไปเองอย่างนั้นต่างหากที่ใจิตก็เดินสุดทางอยู่ถ้าว่าจะอยู่พรือถว่าอยู่อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจนะถ้าว่าอยู่ก็อยู่ด้วยความเมื่อสุดใจ ไปด้วยความมรสุทธิ์ใจรู <Yeah. S 1> ้อยู่ด้วยความมรสุทไปด้วยความบริสุททุกอาการไม่ไม่ไม่ละความบริสุทธิ์จิที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเช่นนี้นี่คือจิตที่ที่ผ่านพ้นจากภัยทั้งหลายแล้ว uh huh. หมดด้วยใหญ่ทันทีพิเศษ ท่านรู้สึย่างนี้ถาดขันก็เหมือนกับเราๆท่านา น, นี่นแหละมีการเจ็บการปวดไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาปวดหัวตัวร้อนไม่ผิดกันอะไรแหละก็ถาดขันมันเหมือนกันมันก็ต้องเป็นกองทุกข์เหมือนกันนั่นแหละเป็นในเพีทววิชิตที่แยกตัวออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วนั้นไม่มีการกระทบกระเทืนถึงจิต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 เพรานั้นเริ่มถากขันจะแสดงไปเป็นตามอาการของมันในลักษณะใดก็ทราบตามลักษณะนั้นๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของของขันที่มันคนไม่ไหวมันสลายตัวลงไปก็สารมันสลายตัวลงไปไอ้เจ้าผู้บริผู้บริสุทธิ์ก็มาถึงสลายไปตามท่าทมขันซึ่งเป็นตัวสมมุติผู้เป็นวิ ม, มุตต์ก็เป็นไปตามวิ ม, มุตต์ผู้เป็นสมมุติก็เป็นไปตามสมมุติของเขาเนะี่ยทางอันก็จริง นี่แบบประมวลเรื่องความเกิดความตายทั้งหลายมามากมาน้อยจําได้มาได้ประตามให้ประมวลลงมาในธาตุขันคองเรากองทุกทั้งมวลที่เกิดเป็นมากี่พบ ก, กี่ชาต์ตให้งประมวลลงมาในกายในจิตทั้งเราที่กําลังปรากฏอยู่เวลานี้และแก้ไขกัลวลที่จุดนี้จนให้รู้ตามเป็นจริงของมันทุกแง่ทุกมุมทุกสัตว์ทุกส่วนทั้งธาตุทั้งขันทั้งจิตใจโดยเฉพาะจนกระทั่งไม่จนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือ เป็นสิ่งที่ได้รับอยู่ภายในจิตใจให้ทุกหลงอีกเลยก็เชื่อเป็นผู้รู้แจ้งแจงตลอดในสัจธรรมทั้งหลายหรือเป็นโล ก, กวิตูรู้แจ้งโลกภายในขันค้องต่งโลกคือขันรู้แจ้งโลกคือขันอันนี้แล้วก็หมดปัญหาปัญหาเรื่องความทุกข์ความลหบากที่จะเคยเป็นมาติดกับตัวกันก็มายุติกันลงที่จุดนี้ใ้เดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้า สรางภพต่างชาตเกี่ยวกับจองอปาชาเกิดแก่เกิดตายในสถานที่ น, น, นั้นภพนั้นภพนี้ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบันนกิจที่บริสุทดและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องทำาะนเนริ่มกย็ยุติเปลี่ยนตอนนี้และการแสดง ก, กย็ยุติเปลี่นตอนนี้เอาละเอวังมาถึงนี้เรามีทางไปง ก็รู้ฮะไอ้ตัวพวกตัวนี้มันมีเป็นไตรหลกัลกษณ์หรลมันจะเสื่มลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นไตรลักอยู่ในมันนั่นแล้วเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นไตรลักณได้สิ่งที่แทรก ส, สิงนี้ม่นคือสมมติที่เหลือแม้นิดนึงก็เป็นสมมตินัน่นแ่ะคือไตรลกักที่กลิ่นไม่เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ย าอาการทางจิตทั้งสายดีสายชั่วมันมีอยู่ภายในจิตช่านว่าจิ จ, จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนือกวหมายทั้งว่าจิตมันค่อยอาการทางจิตค่อยดีขึ้น น, น, นะมันแสดงความกระหว่างอาจารย์แจ้งมานี่ยเห็นชัดตดยลำดับดับลุกผ่องใสไปโดยลำดับดัเนี่ยนี่เป็นอาการทางจิตทย่างนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราะทางอย่างนี้เพราะฉนั้นพยายามให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะไปถึงจิตมันจะต้องไปแบบนี้ไปแบบอื่นไม่ได้เนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าจิตเวลาไหนจิตเจริมเวลาไหนจิตเสือ่อมว่าจิจริงๆถึงจะไม่เจริมไม่เสือ่อมก็ตามแต่ว่าเราจะสามารถเอานั้น เ, เอาไม่ได้เนี่อยอันนี้มันอันนี้อยู่รอบตัวของจิตเร่ต้องแก้ไขตรงนี้เข้าไปัะเรียกว่าจิตมีไตรลักเพราะจิตมบนนิพพานไม่มีเข้าใจอันหมดแต่นี้แล้วอาการก็เป็นอาการที่แบบมันดีมันช่วก็มี มันหมดทัท้งมดตัวประกันตัเครื่องสายดีสาชั่วตอนที่พูดจะกีนี้ว่าปลาปะกเป็นเงาบุกบุญุณยัปลาปะเนี yeah, s <s ่บุกคุบุญฝ่ายดีปลาปากแปลว่าบาปสายเจ้าหมองที่ฐานไม่เกิดความทุกข์พราะมันผ่านนี้แล้วซึ่งเป็นอาการที่จะให้เกิดเพือให้เจริญให้ส่วนมันสองอันนี้มันเป็นคู่แข่งกันบาปกับบุญนี่เป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองนี่ันข้าจากกินเ่าเย็นนี้มันก็หมด คำที่ว่าจเจริญไม่เติ่โตหมดเลยเพราะไม่มีสมมติเขาไปแทกเลยนั่นก็มันพูดไม่ได้เลยอาจจะเจริญไม่เติบโตเพราะมันไม่จเจริญไม่เติ่โตนี่มันเข้าตัวพอแล้วเนว่าพ อ, พอถึงขั้นมัจจิมาในหลักธรรมชาติท่านถ้าพูดถึงหนึ่เป็นฝ่ายผลแล้วก็นี่คือหลักมัจจิมาผลในหลักธรรมชาติเลือกผลอย่งมัจจิมาในหลักธรรมชาติฝ่ายม้าที่เดินก็ไปเดินก็้าไปก็เป็นมัจจิ ม, มาคือถึงการตรงแนวต่อกฎหมายอันนี้พอถึงจุดหมายอันนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นมัจจิมาในหลักธรรมชาติคือมัจจิมาในไผยฝนโดยหลักธรรมชาติสดถึงั่จิตเร่มเคลื่อนไปนะเดี๋ยวนจะเลริอนไปให้หงุดหงิดก็คุกังได้ถึงจะว่าอาการเียกว่าอาการเร่าจิตอาการเรียกว่าธรรมคือจิตที่ครับไม่มีเวลานาทีอะไรที่เกี่ยวข้องเลย้ามีการระถานที่ก็จะเกี่ยวข้องกูัไงไ สงัดเนีย่นั่งดีเวลากลางวันนี่เดินดีกว่านั่งนั่นแหละคุณภาพเองนะฉันฉันแล้วไม่ได้นั่งมันจะดีมากเกินไปก็ความมันเดินอนั่งมันง่วงว่าไงต้องเดินขน้าตอนคืนหรือสงัดนี่นั่งดีคือจิตมันแน่วถ้าจใจมันพักนี้มันกป็นแน่ว ถ้าดิจิพนาทางด้านปัญญานี้มันก็หมุนมันละเอียดและออกมากผู้ถุมันซึมซาบมันซึ่งไปทุกแนื้ทุกมึงของปัญญาไี่ธาดขันมันมันมก็เบาตอนนั้นทาดฐขันมันช่วย